ตอนนี้เป็นไงมั่งรงโป่งเบาบันใหม่สดเชิญไหมสังเกตเมื่อกี้ตามวัดมีอยู่จุดหนึ่งจิตไป็นนึกถึงเออปูเตจานี่จะเป็นใครมาออกมาเลยปากกระใจตรงเัินเป๊ะเลยเป็นอย่างเงี้ยเสมอมังว่าได้จดจ่อกันตามวัดเต็มที่แป๊บบแบบ ธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นนะของเราไหลกคนเป็นไงกันนะทำวัดจดมนสังเกตไหมว่าความคิดมันก็จะจอๆเข้ามาแล้วก็ชวนหลงมีไหมอันนี้เป็นวิปัสสนานะแต่ถ้าทาวัดแบบภาคกลาง แบบที่เคยทำโอ้จะต้องให้เสียงเพราอเอื้อนเลนลูกคอเ mm hmm. ็ดชั้นแบบบนสิทธิ์คำส้อยแล้วก็มันมากเลยนะทมแล้ว อ, อร่อยาทาวัดสซดนมันแล้วยิ่งดังๆป้อมๆกันตั้งแต่ลากระหืมเราขนลุกขนพองเลยมันมีอาการแบบนั้นจริงๆ แล้วก็จะมีความสุขล้ติดกันทําวัดสวดมนุกันไปเลยพปทาวัดสวดมาแล้วสนกุกบรรพรานี่ยทำวัดสวดมนกันนั่งกันแถวนครสวรรค์เคยไปแถววัดประปางเหลืองเคยไปสอนปฏิบัติทำวัดเขาบ่อพรับของบางเดือยจะเน้นการสวดมนุกันเป็นหลัก พอสวดมนเสร็จก็คันนี้ก็นอนก็นเป็นผ้าขาวหอ่อศพนอนคอยเดี๋ยวราทําวัดเย็นอีกทีงบางทีก็นอนตื่นขึ้นมาก็เปิดหนังสือนั่งสวดกันทั้งวันแต่ว่าที่นี่ไม่ได้เน้นยังไงหรอกที่นี่เน้นการสวดแบบเอาความหมายการสวดแบบรักษาขนมตำเนียมประเพณี วัดปฏิบัติเพราะว่าคนใหม่ๆก็เข้ามาแล้วก็ออกไปใหม่ๆก็เข้ามาแล้วออกไปบางทีคําพูดเนี่ยพูดซ้ำๆเทศซ้ําๆก่อนเดิมเนี่ย น, นะคำพูดเดิมๆคนก็เก่าๆฟังเบือ่อเบื่อมากจับทางได้เลยเดี๋ยวจะพูดอะไรเดี๋ยวจะพูดอะไรเดี๋ยวจะพูดอะไรก็เหมือนเดิมนั่นแหละอารมณ์ปฏิบัติจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากละความรู้สึกตัวเท่านั้นเองเป็นแค่ความรู้สึกตัวเท่านั้นเอง ที่พูดไปก็ชักไปน้ําทั้งห้ากันไปตอนนั้นอะ่ะก็เป็นเทคนิคปฏิบัติอารมณ์ปฏิบัติแต่ก็พูดไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าถ้าพูดเรามาโยมนั่งหลับนั่งหาววัดวัเหมือนหัวหับระงอหั ว, หวทิ่มไปเลยยังกายยามันแรงนั้นอะ่ะพอพูดไปเรื่องอารมณ์ปฏิบัตินะอะไรไหนอะไรนั้นถ้าไม่มีพื้นฐานปฏิบัติจนเกิดอารมณ์ก็ยิ่งนะฟังไม่รู้เรื่องเลยกลายเป็นของหน้าเบื่อที่สุด เพราะนั้นเราก็สังเกตเอาที่ตัวใครตัวเราทุกๆกิจกรรมเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราให้ฟังก็สังเกตตัวเองอยู่ความเป็นอย่างนี้แหละบางทีมีเสมหะขณะทําวัดสวดมนต์อย่างนี้เสมหะมันก็ขึ้นมาคขัดก็สังเกตเวลามีเสมหะแสดงว่าเราเข้นไปในความคิดอย่างนี้นะพอไปในความคิดปั๊บมันจะตีขึ้นทันทีเลยเสลดเสมหะตีขึ้นมา หรือบางทีอย่างนี้นะขณะที่ผู้นําทําวัดสวดมน์นนีะ่นำทาวัดสวดมน์มันก็มีเสียงของโยมเนะียเบาบ้างดังบ้างคนละขีบ้างคนละเสียงนะใจของเราก็ไปดูกวาดๆดูรอบๆ อ, อ่ะหลดุดไปอีกแล้วนียมันไม่ใช่กวาดธรรมดาในแดนของมันนะแต่มันหลุดไปกับเสียงเลยมันกลาเสียงใครเนี่ยตัวนี้อะไร ไปหาชื่อหาแท่นึกถึงหน้าถึงตายแค่เสียงมันกระทบมันก็เห็นบางทีพอเราประคองไว้ประคองเไว้เราของเราคนเดียวกลายเป็นว่าอา๋อสวดไปไหนแล้วคนรู้เพื่อนยังตามไม่ทันเลยโอ้มันแปลกเลยนะมันนอกมันในมันในมันนอกแล้วต้องอยู่ในแดนที่พอดีอีกอันคือตัดสินใจไปเลยเอาเสียงเราเนี่ยแหละนำเอาไมค์จ่อปากเต็มที่อาเสียงดังเต็มที่เลย เดี๋ยวสักพักเพื่อนมาบอกแล้วว่าที่หลังเอาไม้ห่างๆปากหน่อยดังเกินไปรู้สึกทำแล้วไม่สะดวกไม่สงบไม่อร่อยอย่างเงี้ยเออแปลกดีเกิด่าต่างคนต่างต้องปรับเครื่องในของเองอยู่ตลอดเวลาทุกๆกิจกรรมอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกสตินะเป็นเรื่อ ง, องการเกี่ยว ข, อข้องกับโลกตามความเป็นจริงมีความถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างนะแล้วก็ดูเอาหลงบ้างรู้บ้าง ความรู้สึกตัวมันเป็นได้ทุกอย่างตาดูก็รู้สึกตัวได้หูฟังก็รู้สึกตัวได้เดี๋ยวเพาหูฟังนี่พิสูจน์กันมาแล้วทวารอื่นๆไม่รู้สึกตารู้สึกไม่ได้ขณะจิตสุดท้ายใจขาดนะนะคนใกล้ตายมีแต่หลับตา แล้วก็พูดไปแล้วเดี๋ยวน้ำตาซึมมาเต็มเบ้าตาเลยพูดแล้วนะคนใกล้ตายนย่บางคนไม่มีกรรมฐานจริงๆแล้ว ก, กลัวแต่พูดก็ไม่ได้บอกใครก็ไม่ได้เจ็บปวดก็พูดไม่ได้บอกไม่ได้แต่พอฟังเสียงพระนะอย่างเช่นใครไปหลวงตะกรมหลวงพ่ออมเขียนที่จันทบุรีตอนนั้นมีอยู่เป็นเป็นญาติ เป็นญาติเป็นหมออะนะภูมิในการโรงพยาบาลพระปกเก้าอันนี้เขามาที่เนียวันที่3ธันวาคมสัก3ปีที่ผ่านมาพาลูกมาที่วัดเนียคือลูกส่งไปเรียนกศนอที่นิวซีแลนด์ไม่ใช่ไปเรียนนิวซีแลนด์ แต่ว่ากลับมาจบที่กศออ น, นอที่จันทบุรีลูกก็แก่นะแล้วก็ติดยาเสพติดขนาดหนักเลยติดยาบ้ายาไอยาเคยาทุกชนิดเลยติดหมดเลยเป็นขายใหญ่ของจันทบุรีเป็นลูกคนมีเงินทีนี้พ่อก็ทุกข์มากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดแต่ว่าโรคเนี่ย เกศุดๆแม่เป็นพยาบาลสามีเป็นผู้อำนวยการแต่ลูกเป็นอันตราพานตําแหน่งของกันใกล้ๆ ก, กันละพ่อเนี่ยโอ้สุดๆเลยรักลูกมากๆพามาปฏิบัติตามก็เลยบอกเฮียอ่างหมอคือจะเรีค่ชื่ออ่างอางหมอชื่อหมอเสรีสุขแสงฉายเฮียอางหมอปฏิบัติตามบางใ น, นเนี่ยมาถึงวัดเนี่เจริญสติบางใ น, น ยกมือ14บ่ขึ้ไว้เอางี้ดิว่าอาจารย์เดี๋ยวอีกสองปีผมกเสียแล้วลาออกมามาบวชอยู่อาจารย์เลยปฏิบัติเต็มที่ขับรถเบนมาแล้วก็กลับไปวันนั้นกลับไปก็เห็นว่าอยู่ที่เนี่มันอด อ, ด อ, ด อ, ดอยากาบวนลงึ้นก็กโทรมาถามว่าผม ส, ส่งของมาให้ด่วนเลยได้รับหรือ ย, ยังทุเรียนทอด ก๋ยเตี่ยวเส้นจันพระอดอย่างอยู่วัดป่าสุตัวก็าาซื้อของใส่กล่องพัสดุส่งมาก็บอกว่าเอยรออีกสองวันได้ไหมวันนี้วันที่สเป็นวันหยุดวันที่หก็เป็นวันเฉลิมวันวันอลาแหของในหลวงวนะเฉลิพระชนบรรษาห้าันวามหาราศ แล้วก็วันหยุดชดเชยอีกวั น, นรออีกสักสี่วันนะพัสดุจะมาถึงแล้วเดี๋ยวจะโทรมาบอกว่าถึงหรื อ, อยังปากก่อวันที่ห้าธันวาคมนะลูกจะไปเสพยาเสพติดกลางคืนพ่อก็ห้ามเลพอห้ามเสร็จปับ๊บลูกชายท่านไหนสลัดพ่อทีเดียวล่วงคางกระแทกเตียง เส้นเลือดในสมองแตกเราก็เลยพายกัาไปเยี่ยมกันหลวงพ่อกมกันหลวงพ่อเมงเกียนพากัาไปดูที่ห้อง ICU นะโรงพยาบาล ก, ก็ตอบแทนดีมากเลยกระตายไปแล้วละแต่เขายัดใส่เครื่องช่วยเหลือเครื่องช่วยหายใจแล้วก็วัดสัญญาณชีพให้อาหารทางสายยางก็นอนแบบเหมือนไม่เหมือนไหม นอนมันอยู่อย่างงี้แหละนอนมันอยู่เตือนสองเดือนไปเยี่ยมกันช่วยอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้ก็ตายเน้าเขาลงเผามันเก็บกระโดดไปนานแล้วนะก็เห็นวเออคนเรานี่เตือนอยู่วันสองวันเนี้ยตายเลยนะแปลกมากคนมันจะตายเนี่นาไว้อยู่การนี้พยาบาลก็เห็นน่าไปแล้วนะมีพระสามรูปไหนไนไปแล้วขอตัดเล็กตัดน้อยหน่อย ก็ชวนไปดูรายอื่นๆอีกคนไข้รายอื่นที่นอนอยู่ในห้องไอซมีอยู่คนน่าสนใจแกนอนอยู่ตัวบวมดำไม่รู้เรื่องแล้วอันนะีกก้บอกว่ารู้แนะ่ก็เลยไปเยือนบอกหลวงพ่อเขียนนิมนต์หลวงพ่อ จะทำอะไรก็ได้แล้วแต่หลวงพ่อปลูกข้าหน่อยหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคนไข้เป็นผักไม่รู้เรื่องแล้ว end of life ระยะสุดท้ายท้ายสุดของคนไข้แล้วหลวงพ่อก็จานทุกสินเอาเถอะจานสีนอาภัพเลยบอกว่าโยมก็ชื่อบุญอะไรสักอย่าง เรียกชื่อก็โยมอืมสบายแล้วนะโยมสบายสบายแล้วตอนนี้เอร่างกายหมอพยาบาลก็ ก, ก็ดูอยู่นะเครื่องไม้เครื่องมือดูแลอยู่วางเลยกายวางวางวางวางใจกใ็สบายสบายตอนนี้พระนะมาจากนูน้นไกลจริงๆใจภูมมาดูแลมาเยี่ยมโยมนะ ปู่เกาดีๆให้อบอุ่นหลวงตากรมหลวงพ่อมเขียนโอหลวงตากมแก่แล้วก็มาอยู่ข้างเนี้ยพระผู้ใหญ่นะเนี่ยสบายแล้วโยมสบายอบอุ่นอบอุ่นลูกก็เป็นครูรับราชการโยมก็ทำงานใจเป็นบุญทำบุญทำทานสมบุรแบบ ไม่ต้องห่วงอะไรเลยน่ายมนะตอนนี้วางอย่างเดียวเลยบอกกันละสบายสบายสบายปรากฏลราพูดแค่นี้นะน้ําตาดันขวานวานะออขึ้นมาตาดัานขวาดูสิโหนี่มันมีความรู้สึกดีมากพยาบาลบอกว่าไม่รู้สึกแล้วทาาวําไมจะไม่รู้สึกเราไปแต่เขาอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าพูด ให้เขาฟังตะวันหูนี่ชัดมันจะนึกนะว่าเวลาคนไข้สลบหรือว่าคิดว่าเขาตายจริงๆยังไม่ตายหรอกเราจะเห็นได้จากตัวเราเนี่ยแหละวางทีนอนหลับอยู่ขมามขย่าวไม่รู้สึกงทีนะแต่พอตื่นขึ้นมามาทบทวนได้ยินเสียงนั่นเสียงนี้เสียงนู้นชัดเจนมากเลยคือนอ น, น, น่เสียงนั่นเสียงนี้เสียงได้ยิน ระลึกได้อยู่เราก็จึงลองสังเกต ด, ดูเวลาตื่นนอนนะเสียงปัจจุบันคือเสียงอะไรไก่ขันใช่ไหมเสียงลิลลิงเลไลเสียงเพื่อนเปิดประตูกระแทกนะรวมมีเสียงลมหายใจของตัวเราเองมันจะมีสิ่งที่บอกเราอยู่เรื่องคืนที่นอนนี่ลองนึกนึกดูมันมีเสียงอะไรที่มัน เกิดขึ้นขนาดที่นอนหลับบางทีระลึกได้เลยอ๋อเสียงนั้นเสียงนั้นเรียบเรียงกันมาเลยเป็นชุดเลยบางทีเราก็จะเห็นว่าเออเวลาเนี้ยมีเสียงไก่ขันนะเวลาตีห้าสี่ห้านะลักษณะเสียงถ้าเป็นอย่างนี้ด้วยไก่ตัวนี้ด้วยก็จะรู้เวลากันแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูยนะพออีกสักนิดหนึ่งมันมีการตอบรับด้วยเสียงตัวนี้แล้วพอแสงเริ่มสว่างมีเสียงไอ้นี่เกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันขนาด แลคือโลกที่เราอยู่กับเขาแล้วก็เห็นโลกตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงนะก็ไม่ได้หมายถึงว่าคิดเอาด้นเดาคำนวณคาดคะเนไม่ใช่แต่หมายถึงว่ามันปรากฏอยู่นะที่นี้เดี๋ยวนี้เลยสัมผัสได้ทันทีแต่ว่าสัมผัสแล้วเป็นปัญญานะไม่ใช่สัมผัสแล้วเป็นปัญหาเวลาสัมผัสแล้วเกิดปัญญาคือสักตะวัสักตะวัสักตวัวตัวนี้น อันนี้ก็คือความรู้สึกตัวนะแต่ว่าก่าจะเกิดอย่างนั้นขึ้นมาละเอียดขนาดนั้นนะีก็คือต้องเคลื่อนไหวรู้สึกให้เป็นซะก่อนเคลื่อนมือหยาบๆตัวนีน้มันมีตัวรู้สึกจุดตัวหนึ่งนะที่ชัดที่สุดที่ผลผลิตขึ้นมานะโรงงานผลิตนะตัวรู้ก็คือในร่างกายของเราเนี่ยแหละนะมันชัดมันเจนเหมือนกับมีหมุดโฉนดที่ดินอย่างเงี้ยนะจะไปปรับการอากาศได้ยังไงละ่ะ จะไปปักในความคิดในจิตที่ไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะั้นสติอันดับแรกเลยก็คือปักที่กายมันเป็นวัตถุรูปธรรมมันไม่ใช่ในความคิดในความคิดนั้นซื้อขายไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของรูปธรรมชี้ได้เลยนะี่แหละถูกผิดตรวจสอบได้เลยว่าถูกผิดทังความรู้สึกตัวเนี่ยตรวจสอบได้ทันทีนะว่าถูกผิดแล้วก็สัมผัสอยู่หรือเปล่าขนาดนี้แต่เราสัมผัสอยู่ก็แสดงตรงไ ป, ตร ง, ไปตรงมาเลยนะ นี่แหละมาผลิตให้มันมากๆนะความรู้สึกที่กายเพราะถ้าไม่มีความรู้สึกที่กายไม่ปกติจิตจะเกิดความกลัวเวลาคิดขึ้นมากลนะัวตายกลนะัวโลภกลัวโลโกรธก ล, ลัวหลงกลัวรักกลัวชังกลนะัวอิชาลิสยานะมันมีคึานมาอยู่ความกลัวความ ก, ามกังวลกลุ้มนะความเก้อความเขินเก็บกด้วย น, น, นันะกินแหนงแข็ ง, งใจตัวเอง อันนี้ก็คือกิเลสนั่นแหละกลุ่มของกิเลสที่มันแสดงผลออกมาจากตัวหลงท้ายสุดก็เป็นเหตุแห่งทุกข์สายเหตุแห่งทุกข์เอาความกลัวมเป็นความทุกข์เอาความโกรธมาเป็นความทุกข์มันเลยเป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้เพราะว่ากายของเรามันชัดเจนที่สุดแล้วทุกครั้งที่กลับมารู้สึกตัวรู้เนื้อ ร, รู้ตัวทํามมันแค่นี้แหละ เพรานั้นเวลาเคลื่อนมือเคลื่อนไม้เวลาเดินจงกรมนะล้วก็รู้เฉยเฉยรู้แบบไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณนะ์หรือว่าใช้ความคิดนะให้มันไปรู้รู้นั่นรู้นี่รู้นู่ น, นไม่ต้องเอาเป็นว่าสัมผัสและรู้สึกนะตัวนี้มันชาติสูดแล้วล่ะปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าแทนที่เราจะกลัวเราก็มีความเป็นกลางให้มันนะสังเกต มันยกเฉยๆกลายกลายสมดุลสมดุลมาเอียงซ้ายเอียงขวานะเอียงซ้ายก็คือเข้าไปในรูปขนันเอียงขวาคือคิดมากอย่างนี้นนะเราก็จะได้เห็นตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วนะก็เชื่อว่าช่วงวันสองวันสาวันนี้เราคงไม่เป็นอะไรไปซะก่อนนะโยมนะคือนั่งยกมืออยู่ดีๆอย่างงายท้องชักตาตั้งอย่างนี้นนะคงไม่เป็นหรอก น, นะโยมคงจะเป็นบุญของพวกเราแหลนะ ที่ได้มีโอกาสมานั่งทำบัตรเช้าร่วมกันแล้วก็นั่งรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้ยินเสียงใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างไม่เป็นไรหรอกเท็มกันคือความรู้สึกตัวเนี่ยสำคัญที่สุดปวดร้อยคำพันคำเก็ 100, 000, 000, 000, บอกว่าสู้ทำลงไปครั้งเดียวก็ไม่ได้จะสร้างโบสสร้างวิหารขนาดไหนทําบุญขนาดไห น, นก็สู้รู้สึกตัวครั้งเดียวก็ไม่ได้นะมันเป็นมหากุศนเป็นบุญที่สูงที่สุดจิตตภาวนานะ บุญที่เกิดจากการทำภาวนาอันนี้มันทำให้เกิดปัญญาเราตายสุดจเราก็สามารถพึ่งใจเราเองได้จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ลูกของหมอเสลีก็มาไปทำที่นี่ละ เ, เมื่อเร็วๆนี้ก็มาแล้วก็เลิกสิ่งเสพติดเหลือแก่บุหรี่แล้วก็ห่างๆก็ถือว่าช่วยได้มากแล้วก็นาน้อมที่จะเลิกบุหรี่เร็วๆนี้เพราะว่าติดหนักเหลือเกิน มันติดหนักประเภทที่ว่าไปรักษาที่ไหนนะก็เรียกว่าเอากันไม่อยู่ละแต่ว่าพอมาฝึกเจริญสติภาวนาเอออยู่เอาอยู่เฉพาะคนคนนี้นะไม่ใช่คนคนอื่นนะอารมณ์รุนแรงมากบางทีก็จิตหลอนกระจกหน้าบ้านร้านค้าก็ดีๆเดินก็ไปทุบรถหลายคันขับไปนะชนกําแพงทิ้งเลยนะเป็นขนาดนั้น แล้วบางทีก็เจอตำรวจเนี่ยไปนั่งกินอาหารในร้านอาหารไปเจอตำรวจเนี่ยไม่กลัวเลยวิ่งใส่ก็เลยตำรวจก็ตำรวจเพราะว่าเคยผ่านประสบการณ์ที่รอดคุกรอดตารางมาได้หลายครั้งเหตุการณ์ใหญ่ใหญ่ทั้งก็เรียกว่าเป็นที่รู้จักกันตำรวจก็ใสายหัวทําอะไรก็ทํำไม่ได้ท้ายสุดมายกมือ1ิบสี่บอกวเออค่อยๆเปลี่ยนไปจริงๆ มันก็เกิดประโยชน์ทุกคนนะจะมาดีจะมาะไร้ายไม่เกี่ยวถ้ามาดีก็มาด้วย <c oughs> บุญเก่าที่เราต่อยอดมีความฉลาดมาเสร็จาแล้วมันก็ติดติดขัดขัดเรื่องกรรมฐานไม่หายสงสัยในเรื่องของอศาสน า, าอย่างเงี้ย น, นะ <c oughs> สติมทำให้เกิดสีสมาธิปัญญาได้อย่างไรงมันมันไม่หายสงสัยแล้วปัญญาติแท้จริงมันคือปัญญาแบบไหนอย่างเงี้ยมันคือความคิดใช่ม ก็ใช่นะแล้นะแต่ถ้าคิดด้วยสตินะจะเป็นปัญญาถ้าคิดด้วยขาดสติจะเป็นปัญหาอย่างเงี้ยแล้วบางทีปฏิบัติธรรมเราจะเห็นว่าปัญญามาก่อนก็มีนะบางทีนะเห็นไหมมันจเจริญสติไม่ได้ละแต่มันมีความคิดที่เป็นปัญญามาเตือนเราเราเคยสังเกตเห็นไหมขณะปฏิบัติเนี่ยนะมันไม่ไหวแล้วมันง่วงง่วง เก้าอี้ก็ลากไปนั่งอยู่พิงต้นยางนนี้ไม่ได้อยู่ที่ต้นยางัหน่อยไม่มีแรงยกมือหรอกมันง่วงแต่ว่ามีแรงยกเก้าอี้อย่างเงี้ยนะลากติรดเติรเผู้หญิงแขนเล็กๆเียไม่รู้าแรงีไหนมาลากพิงต้นไม้เห็นไหมและแทนที่ที่มันแทนที่ที่มันจะมีสติมันก็ไม่มีก็นั่งพิงสักพักหนึ่งมันมีปัญญามบอกเฮ้ยเย ววพระมาแล้วเว้ยพระมาแล้วเว้ยพระมาแล้วมันบอกเฉยอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งมีแรงขึ้นมาเลยนะปืบปืบปืบเงี้ยปัญญานะั่นนะ่ะมันอย่างน้อยมันเตือนตัวเองแต่เป็นปัญญาระดับที่เรียกว่าจินตามันเนปัญญานะีมันเกิดจินตนาการขึ้นมาเออพระมาเนะี่ยอันนี้จิตมกุศลนะจิตมันมีความฉลาดเดี๋มันเตือนตัวเองได้เฮ้ยนเะยกเถอยยกเถอย เ, อเวลามันจะหมดแล้วนะี ติวต ว, ว, วเดี๋ยวอาจารย์สอบแล้วไม่ผ่านอะไรเงี้ยมันก็จะเตือนพอนะมีการสอบบันท้ายสุดนั่นะสอบยังไงให้เดินสองชั่วโมงเลยเพราะ น, นั้นติวได้แล้วพวกเราให้นั่งยกมือสร้างอแหวะไม่ต้องขยับสักชั่วโมงหนึ่งจะได้เรียนรู้ความอร่อยของการเจ็บปวดนะแล้วเวลาเรานอนในห้องอศัศยมจะได้อ๋อเคยสอมมาบ้างแล้วนะขณะปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโต ไปนั่งดูทุกขเวทนาของกายอย่างนี้นะแล้วก็มันทําได้แค่นี้แหละแต่บางคนก็ผ่านเลยเห็นพาต่ละเกิดที่กายของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะกายของเราปรับสมดุลได้นะมีปล่านเนี่ยมีปลานเส้นเลือดเหมือนกันพอเรากดทับมากๆเดี๋ยวมาหาเรื่องไปเลยแลนเส้นอื่นปัญราะการพวกนันก้นมันมีทําชาติของกายน้าช่วยตัวเองได้ จิตใจนี่สำคัญบางทีมนอ่อนแอรปรา บ, บางโดยเฉพาะผู้ชายในเวลาเจ็บปวดนี่สลบง่ายหรือว่าจิตจะทิ้งกายได้ง่ายมากเสียชีวิตไปเลยอย่างเช่นโรงแมรมโรแเรยันพาซานะขณะที่มันถล่มลงมาผู้ชายตายเรียบเลยครูทั้งนั้นเลยครูเล็กครูน้อยครูใหญ่ตายหมดรอดอยู่แต่ครูผู้หญิงคนเดียนอนร้องเพลงอยู่เจ็ดวัน ฉันตายไม่ได้ฉันตายไม่ได้นอนร้องเพลงอย่างท้ายสุดก็คือให้กําลังใจตัวเอง น, นะแะจนหน่วยที่เข้าไปช่วยเหลือเจาะทะลุทะลวงลงไปไปเจอนอนร้องเพลงหมอเอาน้ำเกลือลงไปเสียบใหนะ้แล้วก็เลื่อยตัดขาออกมาแต่ที่จะทุบอาคารว่าเดี๋ยวอาคารจะพังทับก็เลยตัดขาคนเอาตัวออกมา ผู้หิงคนนี้นี่กําลังใจดีมากเลยเข็มแข็งแต่ท้ายสุดก็คือแพ้ความคิดของตัวเองมาทับแพ้หลังจากที่ขาด้วนกลับไปนะชีวิตรอดเหลืออยู่แต่ท้ายสุดก็คือทุกข์เพราะว่าแบกทุกข์กันนะเหลือไม่เท่าเก่าแล้วขาเราขาด้วนสามีนอกใจทุกข์ใจอนะไนี ร่างกายขาด้วนไปทุกนะแต่ว่าทุกเพราะว่าสามีจะนอกใจทุกข์มากเลยเรื่องเหมือนสึนามิเราสังเกตดูที่ภาคใต้หลายคนรอดตายนะขึ้นตืดๆมาเท้ายอดมะพร้าวบางคนนี่หาศพยังไม่เจอเลยทุกวันนี่แต่บางคนนี่รอดได้เห็นไหมมีเด็กคนหนึ่งพาดไปค้างอยู่ยอดเอโกงกลางอ่นักข่าวไปเจอ อยู่น้มอยู่นมแม่ไปทางหนึ่งแม่ไปอยู่ที่หน่วยมันเท่าทุกมันเทาสารภัยส่วนพ่อหนีไปนูน่นกระบี่รอดตายเหมือนกันต่างคนต่างหากันไม่เจอสามคนท้ายสุดเป็นยังไงก็ได้อยู่หมู่บ้านจุฬาภรไปอยู่ที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์ที่เขาหลัก หลายคนที่นั่นไปผูกคอตายรอตายไหมซูนามิไม่ได้ทับตายแต่วความคิดของตัวเองเสียอกเสียใจนะพอตายแม่ตายลูกตายคนนั้นตายคนนี้ตายทรัพย์สินล่มละลายไปหายวับไปเลยบังกะโลนะหรือว่ารีสอร์ทนั่นทําให้เราได้เหนะ็นาโประมาณไม่ได้นะความคิดนะถ้าไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตั ว, ไ ม, ตวไม่รู้สึกตัวนะโอ้ เวลาเกิดอะไรขึ้นมาชิปหายไนะในชีวิตนะเกิดมาสะสมชีวิตขึ้นมาเราไม่ อ, ามาอยู่นะมันท้ายสุดก็คือแพ้ภัยตัวเองนะภัยวาตาสงสารที่เกิดจากความคิดเพราะฉะนั้นเราจะนะสังเกตได้ยังไงวันนี้คือความคิดสมมติฐานของความทุกขนะ์เราก็ต้องลองเคลื่อนไหวรู้สึกเราจะเห็นเลยอ๋อมันแวบไปนั่นแหละตัวนี้แหละตัวดี สมุทยัยหลงฟนะึแต่ถ้ารู้เท่ารู้ทันก็หลงไม่นานนะหลงปัาบรู้ปุ๊บรู้เท่ารู้ทันทันทีนะหลงป้ารู้ปุ๊บนะรู้ว่ามันหลงแล้วไม่ต้องทุกขก็ได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เป็นปัญญาทันทีได้สองแต้มนะเพราะนั้นโรงงานผลิตความทุกขนะ์ก็คือตัวคิดนี่แหละมันผลิตเก่งมากเลยนะเราก็ทลายโรงงานมันทิ้งซะ ไม่ไปสนใจให้ค่ามันมารู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวหนึ่งวันสองวันสามวันดูซิมันจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้ความม่วงจะหายมันจะเบาๆบางๆลงไปไหมความเจ็บความปวดความเมื่อยทะบะอนะินทรีมันจะแก่กล้าขึ้นมาไหมความอดทนอดกลั้นมันจะทนไปได้สักระยะแล้วก็เดี๋ยวก็ไปต้องทนนะเดี๋ยวจะมีความรู้สึกว่าเออท้ายที่สุดนั้นมันไม่มีอะไรเกินจิตใจที่มันเข้มแข็งนะ พอทําจิตใจยกจิตให้มันเข้มแข็งนะความง่วงก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าจิตใจที่เป็นปกติที่มันเข้มแข็งมันอยู่เหนืออารมณ์ตั้งปวงอยู่เหนือความเจ็บความปวดความเมื่อยมันอยู่เหนือจะเปลี่ยนก็ได้อยู่เปลี่ยนโดยที่เราไม่ต้องทุกข์อย่างนี้หรือว่าจะอยู่กับมันก็ได้อยู่อยู่โดยที่เราไม่ต้องทุกข <c oughs> ์มันมีจริงๆตรงนี้แต่ว่าต่างคนต่างต้องฝึกตัวเองเอาไม่ๆเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าทำไปทําไม ทำไปทำไมมันจะไม่รู้จริงๆทาแล้วได้อะไรมันจะไม่รู้หรอกเแียงว่าพระบอกให้ทําก็ทำไปทาไปอย่างนั้นนะให้เหมือนกับว่าทําจนเป็นความรู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาเนี่ยที่เคลื่อนนะเคลื่อนจะเป็นธรรมดาธรรมดาไม่จะทําเพื่อจะเอาอะไรนะไม่จะทําเพื่อจะไปถึงไหนได้อะไรทําแค่ว่าเคลื่อนแล้วก็รู้สึกนะแล้วก็จบแล้วละ เป็นแค่สัมผัสรู้สึกแล้วก็จบแล้วล <us> ่ะแค่น네ี้พอเดี๋ยวอินทรียจะแกล่ะก้าขึ้นมาเอความเป็นธรรมดาธรรมดาที่เราทำนั่งธรรมดาธรรมดาให้ยกก็ยกแบบธรรมดาธรรมดาไม่เอาอะไรยกเฉยเฉยไปเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นเขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดา ก็ก็เดินหางานแบบธรมธรมดาธรรมดาตกงานแบบธรมธรมดาธรรมดาบางคนตกงานแล้วทุกขคนในอย่าออกคนนอกอยากเข้าทั้งทั้งที่มีงานบางคนก็เหมือนกับตกงานทุกใจแล้วทำงานทุกวันได้ตังทุกวันอันนี้ขาดสติแน่นอนแต่ผู้หญิงญี่ปุ่นคนนี้ก็มีสติก็เดินธรรมดาธรรมด า, มดาหางานธรรมดาไม่ทุกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอทานไปวันวั น, วนอยู่ไป ปรากฏไปเจอสมุไรเขาเก่งคนนี้ก็ไม่ธรรมดาก็ เ, าเก่งมากๆเสร็จแล้วก็ฝึกวิชาสมุไรจนกระทั่งไม่มีคู่ต่อสู้เลยเดินไปเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งเดินหาคู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งเดินหางานเดินแบบธรรมดาๆเล่รล่อนไปวันๆชุดอะไรก็นึกสงสารคิดว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยให้ผู้หญิงคนนี้เดินไปด้วยกันกับสมุไร ไปไหนไปด้วยกันเธอก็หางานไปเราก็อยากหาคู่ต่อสู้ของเราเสร็จแล้วด้วยการที่อยู่กันนานๆก็เกิดใกล้ชิดสนิทสนมรู้สึกเอ็ do, นดะูมันก็พัฒนาไปครั้นี้ก็อยากแสดงออกว่าเขาเนี่ยสามารถปกป้อ ง, องคุ้มครองชีวิตของเธอได้ตลอดชีวิตเลยนะเสนอตัวเป็นคู่ครองนะครั้นี้เดินไปไม่มีคู่ต่อสู้ให้ฟันเลยจำอะไรก็เลยแอคชั่น เจอต้นไม้ก็ยกสมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนกับต้นไม้เป็นคู่ต่อสู้ตั้งสมาธิตั้งสติแล้วก็ใช้วิชาที่ฝึกมาสมบูรณ์ฟันชึบลงไปที่ต้นไม้ต้นไม้ขาดแต่ไม่ล้มสมบูรณ์ก้าวนิ้วนะดันต้นไม้ก็ล้มคลื่นเก่งไหมเก่งไหมสมบูรณ์เก่งไห ม, ไห ม, ม, ไหมน้องพี่เก่งไหม ผู้หญิงญี่ปุ่นก็เลยตอบว่าธรรมดาธรรมดาพี่สัมภรก็ไม่เป็นไรเดินไปอีกไปเจอต้นไม้ที่ใหญ่กว่าอีกก็วางมาด ต, ตั้งสมาธิมีสติระลึกแล้วก็รวบรวมกำลังก็าฟันชับลงไปโอ้โหนี่ขนาดต้นใหญ่มากนล้เนี่ยนะต้นไม้ลมแต่ไม่ เออต้นไม้ขาดแต่ไม่ล้มตั้งเหมือนกับต้นแหลกคราวนี้เอามือผลักก็ต้นมันใหญ่พี่เก่งไหมน้องธรรมดาธรรมดาพี่สองครั้งแล้วนะทำอะไรก็นึกแปลกใจผู้หญิงคนนี้นี่แปลกไม่มีคำชื่นชมนะเราว่าเราเก่งแล้วเนี่ยแต่เธอไม่ได้ชมเราเลยคราวนี้ พักกลวันก็นั่งรับประทานอาหารกันมันมีแมลงวันบินวุวง้วงวๆ้สมอะไรก็หยิบมีสมอะไรามาฟันชุบชบขาเป็นสท่อนปลอกป ล, กป ล, กปลกตกลงมาสท่อนน้องพี่เก่งไหมผู้หญิงก็นั่งรับประทานอาหารแล้วก็นิ่งนิ่งแล้วก็พูดเฉยเฉยว่าธรรมดาธรรมดาพี่ สมอะไรก็เริ่มมีอารมณ์แล้วนะว่าเอ๊ะนี่ขนาดมาแมลงวันเป้าเคลื่อนไหวนะเราฟันขาดแล้วเธ อ, อยังนิ่งเฉยอยู่เลยชมสักคํามันก็ไม่มีเลยนะก็คิดอยู่ในใจการนี้มแมลงวันมันบินมากกาะที่จมูกของผู้หญิงคนนี้นะบินมากกาะที่จมกูกปลายจมูกเลยนะก็ดจึบสมอะไรก็เลยอาเม็ดมาตั้งสติอย่างดีแล้วเรฟันชับลงไปเลยการนี้ขาดไหมทีนะี้ ขาดไหมอะไรขาดฟันชับลงไปฝีมืออย่างซามลายปรากดว่าแมลงวันะขาดตกลงมาเป็นสองท่อนพอขาดตกลงมาเป็นสองท่อนปั๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เสี่ยงชีวิตมากเลยนะซามลายไม่ระคายเคืองปลายจมูกนิดเดียวนิดเดียวก็ไม่มีเฉยมากเลยซามอลายถามว่าพี่เก่งไหมน้อง ธรรมดาธรรมดาพี่พอพูดคำนี้ปั๊บเนี่ยสมุยโกดจัดมากทิ้งสมัยโยนใส่เลยท้ายสุดก็คือเธอจะไปไหนก็ไปเราจะไปทางนี้แหละสมัยก็เดินไปหาคู่ต่อสู้ส่วนหญิงสาวก็เดินไปหางานทำไปเจอเจ้าของความเลี้ยงสัตว์แล้วก็เป็นโรงละครสัตว์ท่านบอกถึงว่า เราเนี่ยไม่สามารถที่จะจ้างเธอได้ให้เธอไปนอนพักที่อื่นแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นเธอสมัยไปหาคู่ต่อสู้ก็ไม่มีคู่ต่อสู้ผู้หญิงก็ไม่มีงานทำแต่วันนั้นโชคดีก็คือช้างตัวหนึ่งออกลูกช้างออกลูกผู้หญิงก็เลยได้งานทำ แต่ว่าขอแค่ข้าวกินฟรีแล้วนะไม่ได้เงินนะอุ้มลูกช้างไปอาบน้ำทุกวันเลยดูแลเอาอาหารให้กินอุ้มไปอาบน้ำเนะี่ยทุกวันลูกช้างก็โตขึ้นมาหนึ่งเดือนแล้วหญิงสาวก็สามารถที่จะอุ้มช้างไปอาบน้ำได้ทุกวันเลยร่างกายแข็งแรงขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ ไ, ไม่รู้ตัวจนหลายคนก็เห็นแล้วก็อัศจรรย์ใจว่าผู้หญิงคนนี้อุ้มลูกช้างไปอาบน้ำได้ยังไง ลูกช้างก็ตัวใหญ่ผู้หญิงก็ร่างเล็กๆอันนี้เกิดจากความรักความรักงานรักการทํางานทําการลืมเน็ดลืมเหนื่อยลืมหนักเลยจนละครสัตว์นําฉากนี้ไปแสดงเจ้าของโรงละครตว์ก็ได้เงินได้ทองพอถึงฉากผู้หญิงอุ้มช้างทุกคนก็โหผู้หญิงอุ้มช้างทําได้ไงอะ่ะช้างตัวใหญ่ผู้หญิงร่างเล็กแรงน้อย ผู้ชายยังทำไม่ได้เลยได้เงินได้ทองมาครนี้ชื่อเสียงของฉากเนี่ยดังมากจนไปเข้าหูของซามโมไลซามโมไลนี่ชอบความเก่งชอบโชว์พอได้ยิงฉากนี้ปั๊บสนใจทันทีโอ้ทำไมท่านแข็งแรงขนาดนี้ทําไมเขาแข็งแรงขนาดนี้เก่งจังเก่งจังชื่นชมก็เลยไปดูป ร, กรากฏฉากของโรงละครจัต ในวันนั้นเนี่ยโหคนดูเยอะมากฉากนีนะ้ผู้หญิงออกมาแล้วฉนะากผู้หญิงอุ้มช้างโอ้โหทุกคนปรบมือเสียงกล้องสมัยนะก็เผลอกับเขาด้วยตบมือให้กับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้กอุ้มชาา้างแล้วก็เดินไปเดินมาหมืนสองรอบสามรอบแล้วก็เข้าเวทีไหทุกคนโยนเงินให้เลยตบทิปให้ สมภายอตบมือแต่เฮ้ยผู้หญิงคนนี้คล้ายๆกับเคยเห็นนะคุค้นๆเนใช่คนที่เราแยกทางกันเดินหรือเปล่าในความสงสัยพอคนออกไปกันเลยแอบเข้าไปหลังเวทีอา้าวน้องนี่เองนึกว่าใครเก่งจริงๆเก่งจริงๆโอ้้องทำได้ไงเนี่ยทำไมเก่งแล้วไม่บอกพี่ ผู้หญิงก็ยังนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ฟูนะเสร็จแล้วก็บอกกับไรว่าธรรมดาธรรมดาพี่สำุไรนี้กึกเลยนละไอ้ที่จากกันมาก็ไม้คานี้นี่เจอครั้งแรกเธอพูดธรรมดาธรรมดาพี่อย่างเงี้ยโอ้ยเนาะแต่ว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่านี่เราชมเขานะเขาพูดธรรมดาธรรมดาก็เลยถามเหตุผลวนะ่าทำไมน้องถึงพูดธรรมดาธรรมดาพี่ ไอ้ธรรมดาของน้องนั่นคืออะไรเอ้าพี่ก็ลองดูสิพี่เก่งสมอะไรก็พี่ฝึกทุกวันใช่ไหมพี่รักวิชานี้ใช่ไหมแล้วพี่ก็ฝึกจนกระทั่งพี่ชานาญขึ้นมาพี่ก็ยอมเหน็ดเหนื่อยพี่ก็ยอมทุ่มเทพี่ก็ยอมเชื่อฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สั่งยังไงเนาะพี่ก็ทําตลอดอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เก่งท้ายสุดไม่มีใครสู้พี่ได้สักคนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาพี่ พี่มันฝึกพี่มันซ้อมพี่ก็ต้องจำนานนะเจไม่แปลกส่วนน้องอ่ะเหรอก็ไม่แปลกอีกที่น้องยกช้างได้ทุกวันเนี้ก็วันแรกๆช้างก็ตัวเล็กไม่กี่โิโลห้าสิบกิโลหกสิบกิโลน้องยกไหวแล้วน้องก็มีความรักกับเขาหยอกเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็สัมผัสได้ถึงความเมตตาของน้องเนี้ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกถอยทีถอยอาศัยกันน น้องก็ดูแลเขามาทุกวันน้องยกทุกวันร่างกายของน้องก็แข็งแรงขึ้นเมื่อแข็งแรงขึ้นก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนก็น้องทํำด้วยความรักต่างธรรมดาธรรมดาพี่โอ้สมัยปิ้งขึ้นมาเลยนะน้องนี่สุดยอดเลยเก่งมากมีเอียงซ้ายมีเอียงขวาอะไรไม่ฟมูไม่แฟบเลยพี่ทําให้กรอดก็ไม่กรองเฉยพี่ทําให้รักใครดีใจก็ไม่รักไม่ดีใจเฉยน้อง พี่ผิดไปแล้วขอโทษนะพี่ขอกลับมาอยู่กับ น, น้องอีกครั้งได้ไหมเราลราตอบสิผู้หญิงคนนี้จะตอบบ้าอะไรอ๋อพวกเราถ้าเกิดว่าทะเลาะกับสามีแยกกันไปแล้วเนี่ยนะสามีกลับมาน้องพี่ขอมาอยู่ด้วยนะอย่า ก, กันแล้วนะน้องน้องขอกลับมาอยู่ด้วยนะน้องนะธรรมดาธรรมดาพี่เหรอเลียมกลับมาเลยไง เฮ้ยมันต้องมีฟอร์มกันหน่อยนะผู้หญิงคนนี้ก็มีฟอร์มก็เฉยก็ไม่ได้บอกธรรมดาธรรมดาพี่หลอกนะก็เฉยเฉยเออเขนิ่งๆผู้ชายก็เลยรู้แกวเลยพอเฉยแล้วก็แสดงว่า 50% 60% อล้อยู่ได้เลยเต้อแต่นั้นทีกคองโลกก็อยู่ตอนหลังก็เลยมีฉากดังขึ้นมาฉากหนึ่งก็คือฉากซามูไรฟันแมงวัน หลังจากฉากผู้หญิงอุ้มช้างแล้วก็จะมีฉากซาม u r a ฟันแมงวันก็จับม า, มาแมลงวันใส่ถุง น, นะเสร็จแล้วก็ปล่อยกันไปปันชุบๆคนไงือตบมือวันนันฝึกกันหัดนึ่นะวิชาบาวิชาฝึกแค่ไว้โชว์ท่านเองแต่การฝึกหัดพิบิธรรมเนี่ยอาจจะว่าโชว์ก็ได้โชว์ตอนไหนตอนท้ายสุดเวลาจะตายไม่หวั่นไหว เพราะความตายเป็นเรื่องอะไรธรรมดาธรรมด า, อา เ, อเอวังก็มีด้วยประการละเจนี้